เทศนาแผ่นที่78สดลำดับที่24โดยรวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงทรรไในวันที่16พฤษภาคม2558มีชื่อเรื่องว่าสารภาพผิด เมื่อนี่เป็นวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2 0 5 8หารอยหามวนท่านผู้กากับอำเภอนาอยุ่งของเฮ้าพร้อมขอบพักวคุณนายพี่น้องประชาชนได้ไปถอดผ้าป่าสามัคคีอยู่วัดผานำจันบรบานว่างเล่าอำเภอนายุ่งของเฮ้าเพื่อสัง่งเพื่ อ, อ, อทา หลังค่ากุติของเจ้าอาวาสที่มันขาดจะทุอปัจจัยอยู่ก็ได้ปัจจัยโอ้ฟังฟังเบือ ง, งมือเจ้านะมีผู้ไร้งานลูกพอว่วแสนกว่าบาทนะแสนหนึ่งพบาทนะกว่าบาทนะเศรษฐกิจจังสี่บ้านเมืองเป็นยังสี่เศรษฐกิจจังสี่ได้เงินแสนขนาดนี้ขบวนเป็นหน่อยขึ้นกันนะขันธศรัทธาหยาดงมลูกหลาน การร่วมร่วมกันเพื่อมุ่ง ม, มุ่งหลังฆ่ากุติผลสางขึ้นมาแล้วก่อนมัจำเป็นจะต้องได้ช่วยช่วยกันวัดว่าศาสนาเป็นการสางบุญสางกุศลพวกเฮาท่านทั้งหลายเนะ้เกิดพบใดชาติใดกันว่าเวียนวายเวียนวายตายเกิดอยูใ่ในวัตฏะสงสารอยู่คำว่า เดือดวาร้อนหลอนกายหลอนใจแย่ใดมีให้มีแต่ความ่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าได้ทำสร้างเครื่องมุ่งบังให้กับพระสงฆ์ปูปฏิบัติศีลปฏิบัติร้ำเผ่าโบโุแ ม, มนจิตถวายแต่องค์นีนะ อ, องหนีเป็นอายุเจ็ดสิบกว่าปีละต่อไปก็ พผาสงมาจากจาตุรทิดมาเบลพึงพาอาศัยกุฏิของเฮาในม้าบําเพ่นท่านสินภาะวนาโดยเฉพาะยังหญิงพระกรรมปถานเนี่ยโดยมากม้าบําเพ่นภระวนานั่นนะอะม่านังภาะวนาจเจริญเมตตาในกุฏิของเฮาอพวกเฮาก็คือกันกับเฮาไปสัง <c oughs> สง่งสั่งโรงแลมอหรื อ, อว่าสั่งเอ เท่าเฮาเรียว่าสางที่ให้ค้นเช่าจังจะและในเมื่อเขาสางแล้วเฮาของมอบให้เป็นของพระพุทธศาสนานนเวลากูบาา่ายจานพระสมผู้ใดก็ตามองค์ใดก็ตามมันดังภาวนาจจเริ่นจิตภาวนาอยู่ในกุติของเฮาพวกเฮาได้ลงทุนไวแล้วก็บุญกุศลที่พวกเฮาได้สางไวนั่นแหะมันเหมือนกับ เขาเข้าไปสั่งโรงแร่ำเหมอือเดิบุญกุศลที่เพิ่นไปภาวนาอยู่หันัาม ว, ว่าเพิ่นไปตั้งอกตั้งใจภาวนา <c oughs> จนจิตใจของเพิ่นได้รับความสงบเป็นสมาธิ เ, าเกิดเป็นเกิดญาณทาตนะเกิดชา่นจนได้เป็นพระโสดาพระสกทาข้ า, าพระอานาข้าพระหัน์ได้กุติของเขาบุญกุศลของเขานิหมากไม้ ม, มหาศาล ว่าติดพบติดชาติที่เดียวละ่ะเพราะนั้นในการสร้างเสเสนาสนะระวากุติที่พักว่าอาศัยครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นบุญเป็นคู <c oughs> เป็นบุญเป็นคูส่สนส่วนหนึ่งคือกันหนะ้าคณะรัายาิโน่มเนะ่ยมีมากมม้ในขงันขง พ, พุทธกาลในขังพระพุทธเจ้าที่คณะรัายาติโยมพระสงฆ์ ได้สั่งเซนาสนะถวายไหวพระพุทธศาสนามีมากมม้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้ากัจจปะตัสรูเกินมาในโลกมีเศรษฐีท่านหนึ่งได้สั่งเซนาสนะวัดว่าศาสนาสาลากุติทิพักผ้าอาศัยย่างมากไม้ เป็นทีคล า, ายกับวัดของเพลนนี่ไปท้งเสาไปท้งแรลงแย่าหมือเเสาไปถวายพระทหารพระสงฆ์ย่เหมือนแร่งก็ไปฟั่งเทศธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าพร้อมกันรกร็ได้ถวาย <c oughs> พวกปานะส <c oughs> ำหรับพระสงฆ์จำมเนธที่เจ็บไข่ได้ป้วย เ, เศรษฐีนี่แปลว่าเป็นผู้ตรวจเป็นผู้ดูแล วัดของเจ้าของบอแมันส่างกับปอยเลยกับบอมนันเพื่อไปดูแลของเพิลนปัดเทากล้วยมือหนึ่งเศรษฐีผลิตไปแต้เสาไปเขาไปเบิ่งความพรองของวัดของเพิลนไปไปเห็นชายผู้หนึ่งนหนุ่มผู้นึงว่าเป็นขี่ขโมยปีขี่ขโมยพ่อจน บอกว่ายุคยุคหนุนสมัยนี้ได้ยุคสมัยได้ก็มีบาหาแล้วพ่อนอนบันีขีขโมยกนน่งไปหาตกเว้นขีขโมยแล้วบาเนี่ยใกล้สีแจ้งแล้วมันง่วงมาเนีอมันง่วงลับก็เลยไปนอนกุฏิมอมทางออกนะที่ลบๆเล็กๆนะบาหาแล้วกันชีหฮม เอาผาหมหฮมตีนเจ้าของมันกระย่างมันเปื่อนผมไปเหยียบกี่ตงกี่โค้นมากก็เลยเอาโฮมจะตั้งแต่แข่งไปหอดหัวหฮมปิดเลยมาในเศรษฐีกับลูกน้องเพินไปตะเวน้นเบิ้งหวัดของเพิรนแต่เ้าขาดเหลือขาดต๊ะก็ยังในวัดของเฮ้าจะได้ซอยจะได้ซอมได้แซมพระสงอยู่พาะซุกบอษณะจังสันล่ะ พ่อไปไปเห็นเนขีขี่ขโมยไอ้ดันนะอมันยืนตี น, ตนออกมากเห็ดขาดหลดักโยนออกไ ป, ไ, ปไม่ม่แต่ขี่ตมขี่โคน่นเศรษฐีพุ่นเหนีกห็เลยว่าเอ้เฮ้าวานี่คนที่นอนอยู่เนี่ยนะมันโมเมนคนบริสุทธิ์หรือไปโคนจะหากินเนี่ยมึงขึ้นนะคงจะเป็นขี่ขโมยนะ่ะเป็นขี่ขโมยพวอจยนบางรถตีนมันเปลื่อนขี่ตมขี่โค่น แสดงว่ามันไปหาย <c> ำ <oughs> ไปหายำหมองอื่นมาแล้วนะ <c oughs> พ่อว่าถานัดเศรษฐีก็เลยกับลูกน้องบริวานสองสามคนก็เลย <c oughs> ยางพานไป <c oughs> บาดในขี่ขโมยเนี่ยมันเป็นพ้าดละชนเนี่ยเป็นคนผ้านฮะก็เลยเปิดผาแยมแย่มึงโอ้มันสางดูถูก กูปาเน่แต่ตามให้จิงก็ดูถูกิเลสออกมันไปดูเศรษฐีบไปดูพิษแล้วนเป็นดูถูกคักๆเป็นขี่ขโมยคักๆกวนออกไปเป็นผ่าและชนคักๆกนออกไปอแต่ว่าคนที่เป็นขี่ขโมยบอกเข้าใจเปิดแยบแยบเบิงล่ะเออเศรษฐีเนี่ยว่าให้กูว่ะเดี๋ยวกูจิตจัดการมันมันจะได้กูจิตผูกพยาบาทอาฆาตมันมันไปหาเบอก ใ ห, ให้ให้เล่าแบบนี้คือเจ็บใจนไปพ่อจากนั้นมากเศรษฐีก็ไปแล้วก็ไม่ได้สนใจไอนี็กออกมานั่ก็ไปไปมันก็ผูกพยาบาทอิรีบาทไปกันไปตัดขาง่วตัดขาควายอยู่ในขอบคไปแล้วก็เผาจูดเหล่าเผาเลื่อนเจา้าทีมันจะเผาได้เผาให้เผาหน้าเผาเทียงหน้า เศรษฐีเขาก็เห็นหน้าคือกันเด้สมัยนั้นเขามีความง้อความควายมีไออย่างไครบมัดคือกันนะทํา ม, มาค้าขายเด้เพราะนั่นผลที่จะทิ้งได้อเอิเ้มเศรษฐีมื่กับมันบกกระเทือนมันออไปพราะเขารว้ยอยู่แล้วเด้กั้นบ่อเผาเศรษฐีมันหักในอย่างกว่าหมูมดในชีวิตของเศรษฐีเนี่ย มันหักหวัดอะไรมันหักหวัดมาทางเสามาทางแรงทังเผลอเผลอังเว้นก็บไม้อีกไมาตรวจไม้ตราเบิ้งวัดของเขาอกูสะให้มันเจ็บใจที่สุดนะขี่ขโมยอันนั้นนะกูสะทำให้มันเจ็บใจที่สุดอันไหนมันเจ็บใจอันไหนมันหักเพราะน่ะคนคนผูกพยาบาทนะเขาคิดอย่างสันนะน่นเอยบาดานก็เลย เห็นว่าเศรษฐีนี่ยหักวัดวนไปหักวัดว่าศาสนาเป็นวัดของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากพระพุทธเจ้ากัสสะปาวันไปพ่อยนี่ยมพระไปปีนธรมบัดรเนี่ยมือเศร้านะเออเตรียมน้ำมันไว้เลวก็ไปเท่าลาดกุฏิเผาสาลาเผากุฏิทั้งที่จะเผาใดวันไปเออเป็นจะทุปก็ทุกนั่นแหละพ่อจันท้์นะไฟใหม่ให้แล้วใหม่ใหม่ที่พุทธเพื่อเลยวนไป ขนาดวัดพระพุทธเจเ้าแท้ๆก็ยังไฟไหม่ได้ลูกหลาเลยอันนี้จัดให้ศาสานาของพระพุทธเจ้ากัสสปะก่อนพระพุทธเจเา้าของเฮาจากนั้นไฟไหม้เรียบร้อยเศรษฐีก็มาปะเลยพอมาเห็นไฟไหม่ซาลาไฟไหม้กุติทั้งที่เศรษฐีนี่ยสเสียอกเสียใจก็ไฟไหม้วัดตวัวลงไปเศรษฐีมาเห็นตบเมือ่อเห็ว้าดีใจเลยไง ไฟใหม่สาราเท่ากับผมมีเจตนาแถมมันใหม่แต่มันให ม, ม, ใหม่ดีใจอีกต่างหากเขาถามาันไปยังเศรษฐียังดีใจยังผุถูกใจเพราะว่าขาพระเจ้าจจได้สางให้เะได้สางห <c oughs> าลังใหม่แห้งงามกว่านี้อีกว่าสันเดยเออเออความคิดของเศรษฐีมันแปลกแตกต่างเลยอันนี้มันสาง ม, มาแล้วมันเกาแล้ว <c oughs> ไฟใหม่แล้วก็ดีละ ข่าวเจ้าจะทําให้ดีกว่านี้งามกว่านี้สวยกว่านี้อีกทําให้ดีที่สุดแตาบ้านไฟใหม่ก็ดีแหละเศรษฐีว่าเศรษฐีบม่ได้เสียใจแป่แต่น้อยหนึ่งคนไปมิจะนั้นทำถวายพระพุทธเจ้าอจากนั้นก็นเศรษฐีก็เกริ่มก่อเมื่อก่อสางยางรีบเปล่งเลยระดมค่นยางมากเลยทําให้ดีที่สุดดีกว่าเก่าอีกอพ่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้ววะเนะี ไอ้ขี่ขโมยบักดั่นนะ่ะไอ้ขี่ขโมยใจโหดพาละช่อนเขานั่นโอ้โหขนาดเท่าเหตุไหร ม, มันเจ็บอกเจ็บใจมันก็บพรเจ็บใจขั้นบกขาใชแล้วมันคือคือสิบหัวเศร้าดอกเพราะไงไอ้ขี่ขโมยไอ้เนียน่ยนลงไปบาดในสิขาบาดนี้าเนี่ยเศรษฐีนี่ยกันสางเซตเรียบรล่อยมืดทังกุฏิเสนาสานะถนนคนทงัง มัดทุกอย่างไปกราบพระพุทธเจ้าวะวันที่เท่านั้นเท่านั้นคำคาพระองค์จะมาถวายเ ส, ย น, าสนาธนสง์ถวายเสยนาสนาสวายเสยลาสวายกุติถนนหนทางอำนวยามสกถวายเครื่องอำนวยความสะดวกพระสงฆ์กับพระพุทธเจ้าพระเจ้าข้าวันที่เท่านั้นพระพุทธเจ้าเปินการลับ โดยดุจเนีนับดุษเนีคือวันหนึ่งไปลวันรับลูกรับสาปแล้วเจ้นั่นเศษนรษฐีเนี่ยให้บริษัทบริวานเตรียมอาหารการบริโภคส ม, มบรูรณ์ทุกอย่างหมดไปจนหาทีตำแหน่งอะไรคล้ายๆว่าได้สัางเนาสนาธนะแล้วแล้วก็พร้อมกั น, กนถวายพวกผ้าพ่้อมพวกอาหารพร้อมเพศซัดพร้อมถวายปัจจัยซีไปพร้อมกันเลยหมดไปปัจจัยซีคื อ, อยักษ อาหารผานุโฮมยาแกโ้โรคไข้ไข้เจ็บที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่เศรษฐีนี่ก็ถวายผ่าไตรผ่องถวายยาแกโ้โรคไข้ไข้เจ็บพ่องถวายอาหารผ่องอถวายทั้ง เ, เสนาสนะสารากุตติที่พักผ้าอาศัยของพระสงฆ์พ่องอตอนเช้ามากัาากจะถวายแหะกาวขับถวายยก ถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์อรหันตสาวกทั้งหลายพ่อถวายแล้วคร <c oughs> อพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์อนุโมทนาให้พ่อเศรษฐีเนี่ยกันเทน้ำหยอดหยอดน้ำกรวดน้ำอุทิศตนกุศลล่อลงไปในแผ่นดินเทน้ำทักขีโนโทอทกแค่ว่า เหมาะให้เสนาสนะกะุฏิวิหารศาราที่ปลูกสร้างทั้งหลายให้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ ใ, วในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์พระสงฆ์มาจากจารตุรทิศคือในทิศทั้งสี่ไมใ่ในทิศใดก็ตามให้มาพักเสนาสนะของหาพระเจ้าหาพระเจ้าจะเป็นภูถวายแกวัดถวายเฉพาะเจาะจง องใดองค์หนึ่งขาพระเจ้าถวายมัดพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาเห็มาพักผ้าอาศัาายใดในเสน า, าสนะของขาพระเจ้าเศรษฐีพึ่นประกาศทั้งสนันและกบุญกุศลในที่ขาพระเจ้าด้ทํใ า, า, า, าในมือนี้ในส่างเสนาสนะในมือนี้ขาพระเจ้าเองก็มั่นใจว่ามีคนผู้หนึ่ง ที่ผูกพยาบาทอาขาดของขาพระเจ้าอยู่แต่บอกหุ่จังว่าเป็นผู้ใดเพราะตัดขาหัวตัดขาควายของขาพระเจ้าเผาเทียงไหลเทียงหน้าเผาใหา้เผาหน้าเผาสิ่งของกับเป็นฝีมือของค้อนคอนั้นในความรู้สึกของข้าพระเจ้าแต่เอาเถอะนะขาพระเจ้าที่ทำบุญอันยิ่งใหญ่ในข้าวนี่นะขาพระเจ้าจุทิศส่วนกุศล ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํามาเนะี่ยในข้าวนี้เนะี่ยห้ค้นผููนันละกอนในภูทีมับ่บในถะ้ลายทําไลยเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนขาพรเจ้าเนี่ยนะคนะรับพเจ้าทุทิศถวายกุศลและมอบกุศลให้กับผููนีภูนที่คนผููนีละกอนให้ได้รับความหล่มเย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจอยู่มองได้ไก่มีแต่ความสุขความจเจริญนนะ้าโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้มอบให้เนี่และข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นรับเป็นคนที่สองบุญกุศลจากทางขาพเจ้ิตรให้แก่พี่ญาติพี่น้องพวกสาคณะายาติญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวททั้งหลายทั้งปวงให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจิตรได้ถวายสาลาดเสนาสนาไหว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูตรชาธรรมบุชาสั้งขาชาตรชอ เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในข้าวนี้เศรษฐีประกาศ ท, าทั้งทีไอ้ไอ้ผ้าละช่อนไอ้นั่นเน็บมิดไปใน ใ, ในพ ก, กวนออกไปหาจังหวะโยนออกไปว่าสิขาเศรษฐีให้ได้มือ น, นั้นว่นไปว่นมาว่นมาว่นไปคนละไปพลที่สุดเศรษฐีประกาศจังสันขึ้นมาในทีสาธารณะพ่อประกาศเท่านั้นแหละ เอผ้าลัช่อนโคดันโถตายตๆๆทั้งที่เขาจิโกรธจิกแขนให้เฮ้าเฮ้าเขากับพุทิธชวนกุศลให้เฮ้าอีกเอเป็นเฮ้าเป็นคนแรกอีกต่างหากที่เขาจะทำบุญเขาเขาพุทธชวนกุศลไห่เข้านี Arri ่โอ้ท้าวเข้าไปคืนคาเขานี่ยโอ้โหเฮ้าจะไปนรกลุมใด้เพราะเขาไม่บอไม่เลยเข้าวะ ปุพยาบาดอาฆาตจองกรรมจองเว้นบรมแมนเขาจิตทับพ่อถวายแล้วก็ผูธิมารเผาสาราคองข้าไปเจ้าทำทำลายทำไร้ข้าไปเจ้าให้ดับหมู่จี๊พหายยาได้พุฒยาได้เกิด อ, อบอรมแมนจิปล่อยสีแซนแกงสันอันนี้เขากลับให้บุญกับเฮาอีกตา่างหากให้ก้อนอีกตา่างหากโอ้โหถ้าเล่าไปเบียดเบียนบุคคลเช่นนี้นะ เขาจะไปนอยู่น่หลหลุมใดเน่ยสำนึกพิษขึ้นมาแล้วได้ป่าเอยคนพาละช่นคนนั้นํำนึกพิษดเออพ่อเนะี่ก็โดก็ไปกาบในไต่ตีนของเศรษฐีวัไปเศรษฐีก็งงขึ้นกันเลยงงกันอ้าปไปไงถ้ำยังขื้นเกิดยังขื้นเนี่ ย, ยคนผูนั้นเขาก็เลยสรารภาพเลยวันไปโอ้ที่ท่าน พูดขึ้นมาเนี่ยถูกต้องเออท่านขาไปเจ้าได้ทําให้กับท่านเนี่ยมากมหมสารากุติขาไปเจ้าเป็นผู้เผาเอง เ, ออเพราะว่าขาไปเจ้าเนี่ยโกรธแค้นให้ท่านย่างมากโกรธแค้นย่ำไรเสถีถามกเนี่ยทีท่านมาตะมาตะเวนวัดมาเห็นขาไปเจ้าเ อ, อนอนอยู่ไหนเออท่านก็บอกว่าเนี่ยคน้นผนิบรมนิค้นบริสุทธิ์เนี่ย อาจจะเป็นโถมผู้ไล่มากไปเถียวเทียวคำยำคื่นมาแล้วเห็นตะกีตมเต็มตีเนเลนะเออมันก็เอาผาหฮมใส่จังเทึงมันโพตีนอกมากเนี่เล่าเบิงเนี่ยโมเมนต์ค้นบริสุทธิ์นะคนหนึ่มันต้องผ่าและช่นปิดเป็นมิดฉาชีพนะจากนั้นท่านก็ผ่านไปข้าพระเจ้านี่ยโกรธแค้นเออเอาเถอะเธอท่านเลยห้ากับขาพระเจ้าพูดกับขาพรเจ้าขาพรเจ้าจ การกับท่านข้าพเจ้าคนนั้แมนอิรลนี่ยได้ตัดขาหัวขาควายเผาหาเผาหน้าเผาเถียงหน้าที่ท่านพูดถูกต้องเพราะฉนั้นข้าพเจ้าขอสารภาพเพชรเพราะว่าเมื่อท่านทำบุญท่านก็ยังงห้ยขาบุญให้บุญกับข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าสารภาพะแหละข้าพเจ้ายังขืนผูกพยาบาทอาขาดจองเวรท่านอยู่น่านรกหลุมไหนะ จะเป็นที่อยู่ของข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าสํำนึกพิษขอท่านโปรดอโหสิกรรมให้ข้าไปเจ้าด้วยเถินแล้วก็ขาไปเจ้านี่เสียเอาทั้งลูกทั้งเมียสมบัติของข้าไปเจ้ามอบให้ท่านทั้งหมดและข้าไปเจ้าจะเป็นขารับใสจงลกพักดีท่านเศรษฐียางชดชดที่บอกพลาดลช่นกลับใจหมดไป เศรษฐีเขาเออเอาเล่าให้อภัยเล่ารู้แล้วบ่มีนะเออเล่าบ่าได้ถือโทษโกรธเครื่องนะเออแต่ว่าขาพรเจ้าได้เว้าในมือนั่นข้าพรเจ้าก็บกขาดบกขีดว่าจะทํำให้ทันเจ็บ อ, อกเจ็บใจถึงขนาดนี้เออเอาเถอะขาพรเจ้าเป็นความพิดของขาพระเจ้าเองที่ได้พูดออกไปโดยบอสร่วมว่าจ่าของเจ้าของเป็นความพิดทําให้กระทัน กระเทือนเดือดร้อนเจ็ดใจขอให้ท่านโอโหสียให้ขาไปเจา้าเอเช่นเดียวกันนะ่ะ อ, อข้าไปเจา้า <c oughs> ย่อมสลรภาพว่าได้พูดจังสันอิลีเพราะถึงท่านโอโหสียให้ข้าไปเจา้าข้าไปเจ้าจะสำล้อ ม, มระวังสีบวววเดี่วจังสันอีกต่อไปเ อ, อเศรษฐีว่าแล้วก็เอาเถอหนะที่ท่านจะมาทั้งลูกทั้งเมียทั้งตัวท่านเองจะมาเป็นขารับใส่ข้าไปเจานะ้าเน่ะ พอลูกน้องบริว่านของขาไปเจ้าเนี่ยมีมากแล้วอมีมากมีหลายคนแล้วเอาเธอขาไปเจ้ายินดีอโ้โหสิให้แต่ครับให้ท่านถ้ามาขายอยู่เป็นอิสระเธอนะอมาต้องมาเป็นบริษัทบริว่านของขาไปเจ้าหรอกพอขาไปเจ้ามีลูกน้องบริว่านมากยินแล้วเหลือเหลือฝ่นเหลือผ ล, เห ล, อผลเหลือเฟื้ออยู่เลยนะ ขอบใจมากๆที่ท่านแสดงความยินดีจังส่เศษธีพัฒกว่าจังสันแต่ในใจเศธีลึกๆโถขนาดกูเวาหน่อยเดียวหนึ่งนะเออว่าผีก็โมยแต่ก็ยังผูกพยาบาทอ า, าขาดคณะว่ามาเป็นบริวารยกไก่กับเข้านี่ทามันโมโหขืนมา ม, นมันจะเมามันจะบวเผ า, าทั้งบ้านทั้งเฮือนผมาม่โยกไก่เห้าเศธีในใจลึกๆพลว่นานะ ผนก็บฏไว้ใจเขื่อนนะเพราะใจคนที่มีกิเลสเนี่ยผู้ตุชนที่มีกิเลสเนี่ยเอมันกลับกอกใดง่ายเลยบางทียามมันดีมันก็ดีไม่บอกอะไรยามันโมโหขึ้นมามันบ่กเป็นจังสั่นเด้เพราะมันสันดอนสันดานมันมีมากแล้วอจะไปไว้ใจใดจังไรขันห้าไว้ใจกับผู้ใดความไว้ใจภัยจึงตามมาแต่ว่าห้าเป็นไว้ใจกับผู้ใดก็ตาม แล้วก็ไพ่ก็ตาไม้ที่ห้าไหวใจกับบุคคลคนนันทั้งที่เขาเป็นพาลาชนนี่แหละในรักธรรมคํามสอนของพุทธศาสนาและธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือในนิชาดกหรือในท่านเรืองนี่สอนให้ลู้ว่าการที่จะพูดจะกล่าวสิ่งใดก็ตามกับผูกกับคนให้ระว่างพอใจของคนมันลึกซึ้ง มันมองบ่เห็นขั้นมันพิษอกพิษใจเขาเจ้าเขาแล้ว <c oughs> พร้อมที่เขาจะผูกพยาบาทอาคาดจ่องเว้นเท่าใดแต่ที่เท่ากับบ่มีเจตนาจังสันอแล้วก็พร้อมกันกันกา ร, การสรางบุญสางกุศลอย่างเศรษฐีอท่านมีเงินอยู่แล้วท่านดีอกดีใจอีกต่างหากเมื่อถูกเผาท่านจะได้สร้างบุญอีกมหาศาลอีกบุญกองนั้นมันไปแล้วบัณฑิตบุญกองไม่เอก ที่ท่านจะได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์สาวกในครั้งนั้นาจากนั้นเมื่อใช่ผู้นั้นตายลงไปไป็นตกเอาเวจีมหานรกพ่อมาเกิดมาในภพในศาสนาพระพุทธเจ้าน่ะเกิดมาเป็นเปรตงูเด้เกิดมาเป็นเปรตยูตีนเขาคิดจกุดนะเพระพระโมกขล่ า, า, าลงมาบิณฑบาต อมาเห็นเนี่ยมาเห็นเปรตต์เนี่ยไฟไหม้ทั้งหัวหอดหางไหม้ทั้งหางหอดหัวเออไหม้ล่ามยุงสั่นแล้วไปไหม่หอดหางหรือเ่าไหม้มาหอดหัวอีกไหม้ ห, หัวไม ห, ห, วไ ม, ห, หวไม้มาหอดหางอีกเออพระเทวทัตเห็นโอ้เออพระโมกขล่าเห็นแหละโอ้เป็นยังไง เ, เป็นเป็นปานนี่เออพอมาถึงพระพุทธเจ้าผลมีลูกศิษย์ติดตามมานุ่มเลย พ่อเพินเห็นด้วยญาณนะรัตนะของเผลเพิ่นก็เลยยิ้มมะยิมอลูกเสดทิตตามมากก็เลยถามอาจารย์โมกขล่าครับอาจารย์ยิมด้วยเหตุอันใดน้อยิมใครเขา้ายิมผ่ไมีเหตุมีผลโดยมากเห็นแล้วก็ยิ้มไอ้ขา่าวแย้มพระโอษณ์แย้มปากคล้ายๆหัวหัวรอวแบบยิมยิมโอ้ก่ำของสับปะสัตรนะ์นะ <c oughs> ้อพระโมกขล่าก็เลยว่า เมื่อท่านไปถึงไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าตะกอนยังคอยถามผมนะผมจะเฉลยเฉล ย, ยให้ฟังจากนั้นพระโมกขล่าครับพระเทระและไปบิณฑบาตในกรุงราชจะคือเพราะเจ็ดแล้วไปกลาว พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระติดตามพระโมกขล่าก็ได้ถามพระโมกขล่าว่ท่านยิ้มที่ตีนเขาขิจกูดท่านยิ้มด้วยเหตุอันไหนเพราะว่า ท่านบอกว่าให้มาสามถึงสํำนักพระพุทธเจ้าสะก่อนยังคอยถามผมพระโมคคัลละก็บอกว่าโอ้มื่อก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าพร้อมขาพระองค์ลมาจากตีนเขาขี้จะขยดเห็นเปลดตัวหนึ่งเออเป็นเปลดงูตัวเงาแล้วว่าไฟไหม้ทังหัวหอดท่างไหม้ทั้งหางหอดหัวเอองูตัวหนึ่งทนทุกทรมานเพราะไฟไหม้ตัวเอง พระนันคาพระองค์เห็นแล้วโอ้กรรมตรัสรสังเวทใจในการวิบากกรรมพระพุทธองค์บอกว่าเห้าเห็นเปตตัวนี้ตั้งแต่เมื่อเห้าตัดสรูปพระอนุตรสามารถสมโพธิย่านอยู่ที่โค้นตนโพธิเขาเห็นแล้วเขาเห็นเปต เ, เรานี่เปตตัวนี้เนี่ยไดเผาเสนาสนะพระพุทธเจ้ากัสสปะ เขาซาลาเผาที่พักผ้าอาศัยของพระพุทธเจ้ากัจจปะและกระตกล่งในอเวจีนรกและกัพ้นจากนรกมากก็มากเป็นเปรตนี่ละใส่ก่ำใส่วิบากก่ำของของเขาอันนี้ก็คือความเป็นมาในพระไตรปิดกนะอนัตถะญาติโยมลูกหลานทุกคนเพราะนั้นการสั่งเซนาสนะอย่างที่ท่านปุกมกับกับพี่น้องประชาชนได้ช่วยกัน หาทุนไปเพื่อมุ่งหลังค่ากุฏิโมเมนต์ของผู้ใดเป็นของสาธารณะพระสงฆ์มาจากจากตุรทิศมาในทิศทั้งสี่ก็จะได้มาพักผ้าอาศัยมาบําเพ็ญภาวนาในเจ้าหนาทีะของพวกเฮาในก็เป็นบุญเป็นกุศลพรานั้นขอให้พี่น้องสัทธา ย, ยิโยมทุกข์ทุกคนนะ่การสังสมบุญทีละหน่อ ย, น, อยน่อยนะ้าสุขมาให้ ปุญญานิปรารโลกัตสมิงปฏิทาโหนติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสพรพพสัตทั้งหลายทั้งโลกนี่และโลกนาเพราะว่าในรักถรำข้ามสอนของพระพุทธเจ้าพนวัตตายล้วบ่อสูตนั่ตายล้วเกิดอีก دة, เด้กันเฮ า, ยาหยักฮู้ว่าตายล้วเกิดให้นังพวนาเน้อนางพวนาขาคว า, าทับขาสายยางพระพุทธรูก เอ่ยอย่างพระพุทธอุดมมงค้นสองของเห่าเนี่ยทางขวามือลงพอนี่เพิ่นในหละวิธีนั่งสมาธิขาขวาทาับขาทรายมือขวาทาับมือทรายทํามกายให้ตรงดัมร่องสติเฉพาะหน้ากำหนดล่มหายใจเข่าหายใจออกแต่หลวงปูมันเพิ่นบอกว่าเวลานัง่งหายใจเข่าให้บริกรรมว่าพุทธเนาะหายใจออกบริกรรมว่าโทษคันว่าเห่ากำหนดแต่ล่มหายใจซื่อเน่ย มันหลงมันริืมมันเผลอได้ง่ายให้บริกรรมพดโธขอพรอเนะ้ออันนี้ก็คือกรรมฐานสายหลวงปูมันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของหลวงปูเทศหลวงปูเขาหลวงปูมันหลวงหลวงปูฝันหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์รุ่นนี้คือหลวงปูมันเป็นทางทางสอนคันเมื่อจิตของเฮาสงบจิตของเฮาบอ่อปุงอ๋งบอ่อฝุ่งบ่อสัน อที่แรกในใจของขา้าน่ยมันมันปุ่งเนอะดวงตามาหาบัวว่าคือการข้าววานแหเนี่ยมันจานไปแต่ละหมืนม่นเมื่อคิดเรื่องไรต้องเรื่องไรคิดถึงลูกถึงเมีถึงกิจการงานถึงพอถึงแม่ปุยยาตายาย่อยผู้น่ะคิดไปต่างประเทศอีกต่างหากจักมันไปประเทศได้ทองไปเลยแต่ละมือนเนี่ยข้ามันเอาปากกาคิดไปไหนจดไปนั่งคิดไปนั่งจดไปนั่งจนวะมีกระดาษสีเขียนพุดแต่ละมือ่น อนี่แหละอันนี้คือจิตใจมันปุ่งมันฟุ่งออกไปข้างนอกอแต่เข้ากับเข้าวันหน้าเนี่ยเข้าดึงจอมแห่ผ่านไปให้กำลังดึงจอมแห่บนด้กยคพูดโทษพูดโทเนี่ยถ้าเหมือนกับเข้าถึงจอมแห่แบัต ร, รเนี่ดึงขึ้นมาเนี่ยอตีนแหมกระจุ่มจุ่มจุ่มเขามากฮะพอในสุดจิตใจก็เป็นหนึ่งถึงร่วมมันเป็นร่วมกันได้ไหมคนดึงจอมแห่ขึ้นมามันก็นร่วมอยู่ที่ปลายจมูกอ่ เพราะลบสีปายจมู ก, กนั่นแหละบัณเห่าก็เห็นแล้วบ่ณฑิเห็นใจเจ้าของพราเห็นจิตความรู้สึกของเจ้าของมันร่วมเลยนะเพราะมันร่ว ม, มกัาม่าเนี่ยก็เห็นร่างกายแล้วบัณฑ่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันบนัณฑเห็นได้ชัดเลยนี่แหละวิธวีวิสูตรว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนะเพราะนางเพราะหน้าจิตใจร่วมสงบลงไปนะเป็นน้ำมาถ้ำนะใจมันมองกว่เห็นเด แต่เป็นหน้ามาทํา ม, มันจง opening, นะงบหนึ่งก็เห็นร่างกายพอเห็นร่างกายหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้กันนะจัดท่าญยัดง้มได้เห็นได้ชัดๆกันว่าเปรียบเทียบว่าร่างกายเหมือนกับซ า, าลาห์หลังนี้ละแต่มันกับซาลามันกับเป็นไปมันไปใส่บะไรไม่บอ่อลอแล้วหลวงพ่อแล้วเปรียบเทีย บ, บ, บว่าร่างกายของเขานี่ขึ้นกันกับรถยนต์นะแต่จิตใจขึ้นกันก็โซเฟอร์โซเฟอร์กับรถยนต์ รถยนที่ไปใดก็ต้องอาศัยโซเฟอร์โซเฟอร์ต้องขับไปนี่คือกันร่างกายของเข้าคือกันกับรถแต่จิตใจของเข้าน่ยคือกันกันกบโซเฟอร์แต่พวกเข้ามาวัดมาว่าก็ตามมาบ่มเพ่นกุศลก็ตามกับโซเฟอร์นั่นแหะเป็นผูเป็นผูน้นำมากในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าพันว่ามโนปุกพังคมาธรร ม, มามโนเสรามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นไงมีใจเป็นหัวหนาสําเร็จแล้วด้วยใจเออหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบว่าเออเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี่โซเฟอร์เป็นไงในรถคันนี้โซเฟอร์เป็นหัวหนาสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์คำว่าโซเฟอร์โมโหโก้ท่าขึ้นมากขับขึ้นขับรถไปชนต้นไม้ก็นเลยโดดลงหน้าผาก็นเลยชนคนก็นเลยเพราะให้ไใดเพราะโซเฟอร์ในิจใจบอดี เนตสายโกโลโกโซเนตสายบ่มีศิลบ่มีถ้ำเพราะนั้นเพื่นยังไงเอาโซเฟอร์เนเขามาสูว่วัดว่าศาสนาให้อบรมดึงศิลและถ้มจริยาถ้ำจังไดศิลหาจังไดในเมื่อเขาเมื่อเข้าไปคาเขาเออเป็นยังไงเขาเมื่อเข้าไปคาเขาก็แมสเข้าไปคาเข า, เ, า, ขาเขา้เาก็ช้าใจเลยไปขามันมันไปเออก็คิดไปทางเดียวแต่เมื่อเขามาคาเขา้าหรือเปล่า ขาพี่ขาน่องขาว่องราคนาหยาิของเฮ้าขาพ่อแมยปูญยาตาใหญ่ของเฮ้าที่เฮ้าหักเฮ้ามีความรู้สึกยังไเเงเขาก็เสียใจย่างมากเลยเพราะเห็ุใดเพาะผู้อื่นมาขัาตะกูลของเฮ้ามาเร้าไปขาผู้อื่นล่ะเขาก็เสียใจคือกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศินขอที่หนึ่งพวกท่านทั้งหลายอยู่น่ำกันอยู่ด้วยกันยาเบียดเบียนกันเน้อยาขากันเน้อยาคิดขากันเน้อ เให้มีเมตตาต่อกัน อ, อ, อันไหนผิดอันถืกให้พวกท่านทั้งหลายให้สํารวมระว่างให้มีศีล น, นี่แหละคือศีลหาขอที่หนึ่งอธินาท่านขึ้นกันขอที่สองอธินาท่านขาโมยของผู้อืน่นแต่เมื่อขโมยของเขาเขามาขโมยของเขาเขาก็เสียใจขึ้นกันเมื่อเเมื่อขามาขโมยเขาขาโมยพีหน่องปูยาตายใหญ่วงสาคัญญาติที่เขาหักเขาหลบ ในพีนองของเฮ้าถาว่ามีโจรขโมยมาจับไปเรียกคาไทยเนี่ยขโมยไปเฮ้ามีความรู้สึกอย่างไนเสียใจเฮ้าไปทำให้กับผู้อื่นขึ้นกันเสียใจขึ้นกันเพราะนั้น พ, พระพุทธเจ้ามองเห็นละโลกที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความลมเย็นเป็นซุกยาขโมยกันเนอะให้เคารพสิธิ์ถึงกันละกันสิ่คขอที่สองขอที่สาม กาเมสุมิชาจาระเวระมันิให้เขารบสามีภรรยาของคนอื่นเขาเน้เพราะต่างคนก็ต่างมี่มีลูกมีเมียอมีว่องสาคขาญาติหาเฮ้าไปล่วงลำกำเกินเขาเออเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงลำกำเกินเฮ้าขึ้นกันเฮ้ากระเสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั่นต่างคนต่างมี่ให้เขารบซิดซึ่งกันและกันเน้อโลกทั้งโลกจะล่มเย็นเป็นทุกถาวาพวกเฮา เขาลบศิทธิ์จึงกันละกันอันนี้คือสินคอที่สามคอที่สี่มุสาว่าธาเวรมานิอย่าไปโกหกตุ่มตุนหลอกล่วงคนอื่นเขานะถ้าหาว่าเขาไปตุมตุนโกหกหลอกล่ว ง, งเขาเขาก็เสียใจถ้าหากว่าเขาแม้ตุ่มตุนหลอกล่วงโกหกเขา้าเขาก็เสียใจคืบกันพนั้นการอยู่น้ากันให้มีความสัต์ความจริงต่อกันมีความจริงใจต่อกัน มีสัจจะโตอกั น, นการยูด้วยกันจึงจะหล่มเย็นเป็นสุกใจพระพุทธเจ้าพุทธรัสไปว่าบอกไว้ว่ า, วาคนที่ชอบโกหก ท, ทั้งทีลู่ลู่ลู่ว่าเข้าโกหกแต่ก็โกหกคนที่ชอบโกหก ท, ทั้งทีลู่ลู่าเจ้าของโกหกจะไม่ทํำความสั่วอย่างอื่นเป็นบอมีพระพุทธเจ้าพุทนรัสไปนะอันนี้คือสินขอที่สี ขอที่หาสุราเมรัยะมัชชะปามาการดื่มสุราการกินเหล่าเม้ายาขั้นชา ย, ยาฟินเฮโรอินเอออันไดก็ตามที่ผมมีซื้อก็ตามขั้นเสพจะเป็นผงก็ตามเป็นน้ำก็ตามจะเป็นเม็ดก็ตามถ้าว่าเขาเสพหรือดื่มเข้าไปแล้วขาดสติถึงนี้อ่ามีมซื้อก็เถอะอันนั้น้ก็คือของที่มันพิษกฎหมายพิษศีลธรรมจริยธรรม คนที่ดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อค้นขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติคือคนเป็นบาดเนี่ยคนเป็นบาในชั่วขณะที่ดื่มมือเสพยาเแล้วนั่นเข้าไปแล้วเมื่อค้นขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างคาไพ่ก็ได้เพราะมันขาดสติเลยขโมยไพ่ก็ได้ลลาบละหลวงสามีภรรยาลูกหลานผู้ใดก็ได้เพราะมันขาดสติเอ โกหกตมตุลหลอกล่วงไถ่ก็ะไรเพราะมันขาดสติเพราะข้นขาดสติท่ามความเสื่อเสียหายในทุกอย่างในเมื่อเขาหู้แล้วว่าดืด่มหรือเสพเข้าไปเนี่ยมันจะต้องขาดสติเข้าจะไปดื่มไปเสพไปเห็ดหยั่งเพราะมันดื่มแล้วมันเสียหายเพราะนั้นให้พวกเข้าพุทธศาสนากชนใส่สติใส่ปัญญาใส่ความหลอบขอบสินหาของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นสินหาที่คุ้มคลองโลกนะ พี่น้องลูกหลานท่าทายาดโยมแล้วก็พ่อมกันลงพ่อจะเน้นเนยว่าเนี่ยตายแล้วบอดศูนย์ตายแล้วเกิดคัณวะเฮานั่งภาวนาจิตใจร่วมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเข้าจะหู้ะไรว่าร่างกายกับใจคนละอันกันคือกันกับโซเฟอร์กับรถจังสันละบ่เป็นอันนึงอันเดียวกันโซเฟอร์นั่นะจะต้องไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆเมื่อร่างกายมันเฒ่าแก่ชรามันตายไปแล้วมันมดสภาพแล้ว เออถึงจะบม่มดสภาพกระเด็นเลือดแตกถ้าจะมองบ่าเลือดปิดอุดหัวใจบางมีมืดบางอย่างแนวสิ่ตายคนสิตาย mm hmm. พราตายแล้วมาเนี่ยโซโฟเฟอร์เนีขับรถอะไรเนีโซโฟเฟอร์มันรถตายเลยมันมัล่ะไฟไหม้รถล่ะเออมันพังล่ะโซโฟเฟอร์กิดออกจากรถมาเนี่ยไปหาเกิดอีกไปหาซื้อรถขั้นใหม่อีกนี่แหละตอนที่ไปซื้อรถขั้นใหม่เนี่ยเอเอเขาได้เตรียมเงินมีเงินไฟหรื อ, อยังเออเงินคืออย่างคือบุญ เราได้เตรียมบุญไว้ได้ยัง่งคันว่าเข้าบมมีบุญนานแหละ อ, ออกจากล่าง อ, ออกจากรถข้นเน่ไปแล้วจกักจิไปได้เงินไปซื้อรถจั ก, กรยานกับพ่พ่อมาต้องพูดถึงมอเตอร์ไซค์รถยนต์อ้ไหลรพอเข้าพอได้ใส่ใจไปเข้าพอได้เตรียมเงินไว้พอท่านั้นให้พวกเข้าคณะทัทไายญาติโยมลูกหลานทุกู่ทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่เป็นแนวทางสําหรับให้พวกเขานดกคิด กันกล่องไตรตองเหตุและผลสรุปเหล่านีคือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ยอบอกว่าอยู่ชาติฉันวันณะเหนีย่ยบอกว่าประเทศไหนและเมืองไหนหลวงพ่อได้บอกเป็นภาษาอีสานภาษาฟังง่ายๆภาษาทองทินพอเห็นพี่นอ้องเมื่อเล่ามาต่อหน้าหลวงพ่อนี่ยหลายคนทีเดียวเลยเมืองเนี่ยถือว่าวัดนเนี่ยเมือนี่เป็นเหมือกเป็นวันมงคลมหามงคลสําสหรับวัดของเฮ้า วัดปาน่าคำหน่อยของเฮ้าที่เห็นพี่น้องทั้งกําแพงเวียงจันทร์มิถันผู้กากับอำเภอหน้ายุ่งเพลินประโยชน์แถวเลาะฟังโขงหลายปีเพลินก็เลยหุ่จักมักพูนกับพี่น้องทั้งพูนทั้งพูนก็มาเหยี่ยนเหยียนเหยียย่ยมยามถามเขาทั้งนี้ท่านผู้กากับก็คงจะภาพเด็กขึ้นไปเบิงไปกราบพระผู้ก่อนก่อนมั่งนี่นะแต่ที่นี่ได้กินเข่ากินน้ากินน้ำก็ร่มพอซะก่อน มีอย่างคอยว่ายังคอยเดินทางต่อไปชมทัศเป็นการทัศนะศึกษามาเบิงวัดว่าพวกเข้าก็เครื่องโบกเคยเห็นเอ้ะพระกรรมฐานพระปาเนี่ยอยู่ถึงสี่ก็มีด้นี่แล้วเกิดขึ้นไปเบิงวัดต่างๆ่เพราะว่าต่างทิน่นต่างแดนมันบกคือกันเด้แต่เลยแห้งแต่ละหนมาได้เงน้ยงเด็งได้เงินได้ดดดดดฟั่งที่หลวงพอบวมมันเอคือกันนะ ล, ลูกหลานคณะชาตทธาญญาโมผู้บกเคยได้ยินได้ฟังกับเออหออลวงพ่อเนี่ยบอกแปลกแปล ก, ปล ก, กเวออ้ยถึงจะแปลกก็ตามก็ให้พวกเข้านั่มไปคิดออนั่มไปคิดนั่มไปพิจารณาการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลออในหลักธรรมค้าสอนของพระพุทธเจ้าพณว่าผู้ฟังออยอมได้ยินสิ่งที่ยังบกเคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้ว บอเขาใจชัดก็จะเข้าใจจริงนั่นชัดขึ้นแล้วก็บันเท่าความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้คณะฟัง่งจิตใจของผูฟัง่งก็จะได้รับความสงบได้รับความพองใสอันนี้ก็คือการฟัง่งชุดธตรมะปัญญาปัญญาเกิดจากการดเกิดจากการไดยินใดฟัง่งเมื่อเขาใดยินใดฟัง่งแล้วเกิดปัญญา เอเอต่กอนห้องบกเขยแต่เงียบยั ง, ยงี่เกิดปัญญาขึ้นมากเจินตาบาัญญนะัตะปัญญาเกิดจากการกินตนาการไข่ค่วนทบทวนที่หลวงพ่อบอกออกไปเนี่ยพวกเข้าก็ทบท่วนเบิง่งกินตนาการเบิง่งเอ้ยแมนวะคื๊ยวะเอ่อทีแรกก็คือ๊ยตะกอนละต่อไปเออพระพุทธเจ้าเออเปิน้นสอนอยังสิหลวงพ่ออินนําทําข้ามสอนของพระพุทธเจ้ามาบ่เนี่ยเออมีส่วนแทะ อันนี้ก็คือจินตนาวจินจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ขวรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเิปใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจสงบแล้วนะเนี่อผ่านความสงบแล้วความผ่านความเป็นหนึ่งมาแล้วนํามาพิจารณาวิปัสนา กันก่องไตรตองหาเหตุและผลจิตใจของเขามันหลุ่มมันหลงกับยัง้งมันมั่วเมากับยัง้งเกิดร่ากามาลาคะโทษสาโมหะมันไดจังใดมันเสียจังไดนี่แหละอันนี้คือคือพราวนามรย์ปัญญาเพราะนั้นขอให้พี่นองต่างประเทศพี่นองเมืองเล่าของเขานะเมื่อได้เย็นแล้วก็ได้นั่ไปพิจารณากันก่องไตรตองเหตุและผลขั้นต่อไป พ, าพา่ายภาคนาเออขันทวาริมา เมืองไทยหลวงพอ่ออยู่ในวัดป่าวัดดงกัะยิ่นดีเนอลูกหลานเนอคขญญันทาทยหยาดโยมเนเอามากว่าปฏิบัติม า, ากพัฒนศึกษาเห็นครูบาอาจารย์หลายๆหลๆๆแนวพวกเขานี่ถึงจังไรก็เป็นเมืองอพุทธศาสนาอขอนาึา้นกันเมืองเล่าพมา่าคำเมรไทยอันนี้พวกเขา ถ้าจะว่าไปใลลักษณะพพุทธศาสนาเถรวาทข่นอกจากนะั้นคือเวียดนามนะโดยมากจะเป็นจะเป็นพวกมหายานนะกึ่งๆแล้วก็พวกจีนพวกเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นพวกนั้นเป็นมหายานนะพวกที่เบตนะมหายานกับพุทธศาสนาด้วยกันนะแต่แนวความคิด แ, แตกต่างกันแต่พมา่าไทยเล่านี่แหละ อันนี้เป็นพุทธเป็นพุทธเทระวาดหลวงพ่อเนี่ น, นะเป็นเทระวดัดฝ่ายปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พ่อแม่ผู้บาอาจารย์หลวงปูมัน ใ, นในยุคสมัยนีย้เป็นตัวรักคนไแนนั่สั่งสอนกูเข้าคนนะั้เป็นลูกเป็นล้าน เด่นําทําคําสอนออกมาบอกมากก่าให้กับคณะทศไทาญาติโยมลูกหลานทุกคนเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาใหา้พร น, นะท่านี่เนะ้อรับพอเนนะ้า